4.8 พระอนาคามีไม่มีกรารและปฏิฆะวงเล็บเปิด6กันยายน2550จุดจุดนาที15วงเล็บปิดบางคนคิดว่าการเป็นแค่อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายการทางใจก็มีเรียกว่าการ ม, มาทำอย่างเราไม่ไปยุ่งกับใครมันก็นั่งคิดสมมติว่าเป็นพระบวชมาใจหนีไปคิดเรื่องสาวเป็นการ ม, มาทำใจมันเพลิดเพลินไปในโลกของความคิดในเรื่องการ แต่พอมาเห็นความจริงว่าขันทางรูปธรรมทั้งหลายทางร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์จริงๆความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและการมธรรมจะดับอัตโนมัติจิตจะไม่มีการและปฏิฆะโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาทำไมไม่มีการไม่มีปฏิฆะการกับปฏิฆะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและกามธรรมเกิดขึ้น อย่างตาเรามองเห็นรูปที่สวยก็ยินดีเห็นรูปไม่สวยก็ยินร้ายอาศัยตรงนี้ยินดียินร้ายขึ้นมาทีนี้พอเราไม่ยึดในตาเราก็ไม่ยึดรูปขนาดตาเรายังไม่ยึดเลยจะไปยึดรูปทำไมที่เรายึดตาก็เพราะว่าตาทำให้เราเห็นรูปที่สวยๆงามๆถ้าตาเราเห็นแต่ของที่น่าเกลียดน่ากลัวเราก็หลับตาใช่ไหมไม่อยากเห็นหรอกไม่อยากมีตา เรารักหูก็เพราะหูนี่ให้เราได้สัมผัสกับเสียงที่ถูกออกถูกใจถ้าได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีเสียงหนวกหูกวนประสาทตลอดวันตลอดคืนก็ไม่อยากมีหูหรอกที่เรารักในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัททั้งหลายแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีกามบ้างมีปฏิฆะบ้างเพราะเรารักในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองพราะปัญญามันแทงตลอดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของทุกข์ล้วนๆเลยไม่เอาแล้วไม่เอาตา มันก็ไม่เอารูปอัตโนมัติไม่เอารูปการและปฏิฆะในรูปก็ไม่มีดับอัตโนมัติไปหมดเลยนี่ธรรมะเป็นของอัศจรรย์นะดับเข้าไปที่จุดสำคัญของมันนะที่เหลือมันก็ดับหมดเองดับเองเลยเพราะฉะนั้นพระอนาคามีไม่กังวลสนใจที่จะคอยต่อสู้กับการและปฏิฆะไม่เกิดเลยนะไม่เกิดเองการภาวนามันจะบีวงเข้ามาที่จิตอันเดียวนี่เห็นไหมตัวสุดท้ายที่เรามาตกลมบอนกันนะ